คุณมีละมีธุรอะไรหรือเปล่าคุณจุบไม่มีมาโอเคสบายดีน ะ, อะขอให้ทุกคนมีความสุข อ, อยากได้อะไรก็ขอให้ได้ดังใจต้องการนะตามที่ต้องการอยากได้เรียนขอให้ได้เรียนให้เรียนเก่ง ตอไปจะได้สบายมีความรู้แล้วก็ไปทำงานได้ทำงานก็มีรายได้มีรายได้ไปซื้ออะไรอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้เห็นก็ให้ตั้งใจเรียนเรียนสูงๆเรียนให้จบปริญญาอัาจะได้มีงานทำมีเงินใช้ แล้วก็จะมีความสุขนะอนี่คือชีวิตของคนเราทุกคนต้องเดินรนต้องพยายามสร้างฐานะสร้างความสามารถในการที่จะเรียงตัวเองให้อยู่อย่างมีความสุขปราศ จ, จากความทุกข์น เราจึงต้องไปโรงเรียนกันถ้าเราเป็นเด็กเรายัางไม่มีวิชาความรู้เราก็ต้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือไปมีหาความรู้พอเรามีความรู้เราก็ความรู้นี่ไปขายได้เอาไปทำงานกับบริษัทหรือเราไปทำงานของเราเองก็ได้พอเรามีความรู้ รู้ว่าวิธีที่จะได้เงินทองมานี้ทำอย่างไรเราก็ไปทำกันพอเราทำแล้วเดี๋ยวเราก็มีเงินทองเข้ามามีเงินทองเราก็จะได้เอามาใช้กับสิ่งที่จำเป็นเราต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรค มีที่อยู่อาศัยจาเป็นจะต้องมีรายได้จะมีรายได้ก็ต้องมีความรู้มีจะมีความรู้ก็ต้องไปเรียนหนังสือดังนั้นพยายามเรียนหนังสือให้เก่งจะได้จะได้มีรายได้ที่ดีเวลาไปทำงานเขาจะเลือกเอาคนเก่งก่อน คนไม่เก่งเขาเอาไว้ทีหลังเพราะคนเก่งทำอะไรได้มากกว่าคนไม่เก่งนั่นเองฉะนั้นขอให้ตั้งใจเรียนแล้วชีวิตก จ, จะมีแต่ความสุขมีแต่ความจเจริญตามมาอันนี้เป็นเรื่องของทางร่างกายที่พึ่งทางร่างกาย เราต้องมีความรู้เพื่อที่เราจะได้ไปหาที่พึ่งทางร่างกายมาได้หาอาหารหาเครื่องนุ่งหม่มหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยแต่อันนี้ก็เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของชีวิตเราเพราะนอกจากร่างกายของเราแล้วเรายังมีจิตใจ อีกครึ่งหนึ่งซึ่งต้องมีความต้องการเหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องการไม่เหมือนกับสิ่งที่ร่างกายต้องการใจก็ต้องมีสิ่งที่มาทําให้ใจมีความสุขมากําจัดความทุกข์ต่างๆการที่จะ มีที่พึ่งทางใจก็จำเป็นจะต้องไปหาที่พึ่งที่พึ่งทางใจก็อยู่ที่วัดการมาวัดนี่ก็เพื่อมาหาที่พึ่งทางใจเหมือนกับการไปโรงเรียนเพื่อไปหาที่พึ่งทางร่างกายไปโรงเรียนไปหาความรู้ได้ความรู้ก็เอาความรู้ไปหาเงิน ไปหาที่พึ่งทางร่างกายมาวัดก็มาหาความรู้จากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคําสอนจากพระอริยะสงสาวกอย่างใดอย่างหนึ่งหาความรู้จากพระพุทธเจ้าก็ได้หาความรู้จากพระธรรมคําสอนก็ได้หาความรู้จากพากาาระอริยสงสาวกก็ได้ ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องหาจากพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือหาความรู้จากพระอริยสงสาวกพระปฏิบัติดีพระปฏิบัติชอบพระผู้รู้วิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ ใจถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์จะไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้หมดไปได้จะป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาไม่ได้ต้องมาหาพระพุทธเจ้าหรือหาพระธรรมคำสอนหรือหาพระอริยสงสาร ที่จะมาสอนให้รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่พวกเรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้ถึงแม้เราจะสามารถกำจัดความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายได้แต่เรายังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ยากลำบากทางใจได้ ทางใจของเราตอนนี้ยังมีความทุกข์ยากลำบากอยู่มีความไม่สบายใจมีความวิตกมีความกังวลมีความหวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆกับความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆความทุกข์เหล่านี้เราสามารถที่จะกำจัดมันได้ทำให้มันไม่ให้เกิดขึ้นมาในใจของเราได้ ทำให้เราอยู่อย่างสบายใจไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาวิตกไม่ต้องมาห่วงใ ย, ยไม่ต้องมาหวาดกลัวไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์คอยสอนให้เรากําจัดความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดขึ้นให้มันหมดไปได้ ดังนั้นการมาวัดนี้ก็เป็นเหมือนกับการไปโรงเรียนไปโรงเรียนเพื่อไปศึกษาหาวิชาความรู้ต่างๆมาวัดก็มาหาวิชาความรู้ที่เราจะเอาไปใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปความทุกข์ต่างๆนี้เกิดจากการกระทาของเราเองไม่ได้เกิดจาก เหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เกิดจากบุคคลต่างๆแต่เกิดจากความคิดของเราเกิดจากการพูดของเราเกิดจากการกระทําของเราพอเราคิดเราพูดเราทําแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเรารู้จากวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำ เราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการคิดการพูดการทําที่จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เราจึงต้องมาศึกษาว่าควรจะคิดอย่างไรควรจะพูดอย่างไรควรจะทําอย่างไรจึงทําให้ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาความทุกข์ของเราความไม่สบายใจของเรา เกิดจากความคิดไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากขึ้นมาความทุกข์ก็เริ่มปรากฏขึ้นมาทันทีเวลาอยากได้อะไรใจก็จะมีความรู้สึกไม่สบายจะหายก็ต่อเมื่อ เราได้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วพอเราได้มาเราก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดียวพอเราไปอยากได้สิ่งใหม่ความไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นมาอีกถ้าไม่ได้ถ้าได้ก็จะดีใจถ้าไม่ได้ก็จะเสียใจถ้าเรายังมีความอยากได้อยู่เรื่อยๆ เราก็จะต้องเจอกับความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราบางทีก็ได้บางทีเราก็ไม่ได้เวลาเราได้เราก็ดีใจเดี๋ยวๆแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเราก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกดังนั้นวิธีที่จะทาให้เราไม่มีความไม่สบายใจเราต้องมาฝึกใจของเรา อย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆการไม่มีความอยากไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องทำอะไรสิ่งที่เราทำเราทำกันได้โดยไม่ต้องใช้ความอยากเราทำด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความอยากเช่นเรามีความจำเป็นจะต้องมีอะไรเราก็หามันมา อันนี้ไม่ไม่ได้เป็นความอยากแต่ถ้าเราไปอยากได้ในสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยใช่เหตุไม่จําเป็นที่จะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไปอยากมีพออยากมีพอไม่ได้ก็เสียใจไม่สบายใจน แต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่เป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่มีก็ไม่ตายก็อย่าไปมีมันดีกว่าเราก็จะไม่เสียใจจะได้หรือไม่ได้เราก็ไม่เสียใจหัดอยู่กับการไม่มีอะไรดีกว่าเพราะว่าถ้าเราอยู่ได้เราจะไม่มีความเสียใจ จะไม่มีความไม่สบายใจแต่ถ้าเราอยู่แบบต้องมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้อันนี้มันจะทำให้เราไม่สบายใจได้เวลาที่เราอยากได้แล้วเราไม่ได้หรือเวลาเวลาที่เราเสียสิ่งที่เราได้มาไปความไม่สบายใจของพวกเราเนี้เกิดจากความอยากได้นัน่นอยากได้นี่ หรือเกิดจากการเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปการเสียก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะยับยั้งได้ควบคุมป้องกันได้ของบางอย่างเวลาเขาจะเสียเขาก็เสียของบางอย่างเขาจะจากเราไปเขาก็จากเราไปแต่ถ้าเราอยากให้เขาอยู่พอเขาจากเราไปเราก็จะเสียใจ ถ้าเราอยากให้เขาไม่เสียพอเขาเสียเราก็จะเสียใจดะนั้นการกำจัดความทุกข์ก็คืออย่าไปสร้างความอยากอย่าไปอยากมีนั่นอยากมีนี่อยากแล้วมันทำให้เราต้องเดือดร้อนใจเราต้องวุ่นวายกับการไปหาเวลาหาก็เหน็ดเหนื่อยทุกข์ยากลำบาก กวาจะได้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วพอได้มาก็ดีใจไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็หมดความหมายไปเราก็อยากจะได้สิ่งใหม่ขึ้นมาอีกเี่ยมันก็จะอยากไปเรื่อยๆอยากไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอส่วนสิ่งที่เราได้มาถ้าเราสูญเสียมันไป มันก็ทําให้เราเสียอกเสียใจอีกเศร้าโศกเสียใจอีกดังนั้นวิธีที่เราจะอยู่การอย่างไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์น้อยก็คือเราต้องมาลดความอยากกันอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆอย่าไปหาความสุขจากคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ เพราะว่ามันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเมื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคนนั้นคนนี้เป็นอะไรไปหรือเปลี่ยนไปหรือจากเราไปให้เรามาหาความสุขในตัวเราดีกว่าในตัวเรานี้มีความสุขที่เราสามารถหากันได้ทุกคนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ว่าจะรวยหรือจะจน ความสุขในตัวเรานี้ทุกคนสามารถมีได้กันทุกคนและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่มหาเศรษฐีได้กันความสุขที่ได้จากเงินทองไม่ว่าจะเป็นกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็ตามก็ซึ้งความสุขที่ได้ที่มีอยู่ในตัวของเราเองไม่ได้ นี่แหละเป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันพวกเราทุกคนมีของดีของวิเศษอยู่ในตัวเราแต่เราไม่รู้จักหาเราไม่รู้ว่าเรามีสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษอยู่ในตัวเราที่มีคุณค่าราคามากกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านเงินทองร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถซื้อความสุข ที่มีอยู่ในใจของเราได้แล้วก็ความสุขที่ได้จากเงินร้อยล้านพันล้านก็สู้ความสุขที่ได้จากความสุขในตัวเราเองไม่ได้นี่แหละเป็นปิดินาของชีวิตของพวกเราทุกคนพวกเรานี้พูดไปก็เหมือนกับว่าตัวเราเองคือพวกเรามันเป็นคนโง่ ไม่รู้ว่าเรามีของวิเศษอยู่ในตัวเราเรากลับไปหาของที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเราด้วยความหลงคิดว่ามันเป็นของวิเศษเราหลงคิดว่าการมีเงินทองร้อยล้านพันล้านแล้วจะทำให้เรามีความสุขมากแต่ความจริงแล้วมันเป็นการได้ความทุกข์มากเสียมากกว่า เพาะมีเงินมากมันก็ต้องหวงมากห่วงมากแล้วเวลาต้องจากมันไปก็จะต้องเสียใจมากไม่มีใครจะอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไปได้ตลอดนไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการจากกันไปมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านเวลาตายไปเอาไปได้ไหมบาทเงินบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้แล้ว เขาจะสุขหรือจะทุกข์ตอนที่เขาต้องจากเงินทองเหล่านั้นไปต้องทุกข์มากแต่ขอทานนี่เวลาตายไปนี่ ค, คิดว่าเขาทุกข์ไหมเขากลับดีใจีะอีกว่าอยู่กับความทุกข์มานานแล้วตอนนี้ตายจะได้จากความทุกข์ไปเสียทีแต่คนที่อยู่กับเงินทองร้อยล้านพันล้านนี่อยู่กับความสุขร้อยล้านพันล้านนี่ พอถึงวันที่จะต้องจากไปนี่จะรู้สึกไงจะรู้สึกทุกข์มากเพราะจะต้องจากความสุขร้อยล้านพันล้านไปแต่ถ้าอยู่แบบขอทานนี่เวลาตายกับมีความสุขก็ดีใจได้ตายแล้วเพราะว่าไม่มีความทุกข์ต้องเอาแบกไปด้วยแล้วนี่แหละคือภาพให้เราเห็นว่า การมีอะไรนี่ถึงแม้มันจะคิดว่ามีความสุขมันก็มีความสุขตอนที่มีชีวิตอยู่กับมันนะแต่ตอนที่ต้องจากกันตอนนั้นน่ะมันจะทุกข์มากแต่คนที่ไม่มีนี่เวลาที่จะต้องจากนี่มันไม่มีอะไรจะต้องเสียนะเมื่อไม่มีเงินทองเวลาตายไปจะเสียเงินทองมันไม่เสียมีร้อยล้านเวลาตายไปก็เสียร้อยล้าน เร่ตายแพงคนรวยตายแพงคนจนตายถูกมีคนเราเวลาตายนี่ก็ต้องจ่ายค่าตายกันรู้เปล่าค่าตายก็คือเงินทองทั้งหมดที่เรามีอยู่นั่นคาบอกจ่ายมาถึงเวลาต้องจ่ายแล้วคุณมีกี่ล้านคุณมีสองล้านก็คุณต้องจ่ายสองล้านว่าเวลาคุณตายคุณเอาไปไม่ได้ คุณเป็นขอทานมีกี่ล้านไม่มีเลยอ่าไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายเนี่ยเนี่ยตายถูกตายแพงถ้าอยากตายแพงก็ต้องเป็นเศรษฐีต้องมีเงินเยอะๆเวลาตายจะได้ตายแพงถ้าอยากจะตายถูกก็ตายแบบอยู่แบบขอทานอยู่แบบขอทานแล้วตายตายถูกไม่เสียเงินเลยไม่เสีย เพราะไม่มีเงินจะเสียนี่แหละความจริงของชีวิต อ, อย่าไปคิดว่าการมีอะไรมากๆแล้วจะมีความสุขมากมันก็มีช่วงตอนที่มีเท่านั้นแะแต่พอตอนที่ไม่มีแล้วทีนี้มันจะทุกข์มากงั้นสู้อย่ามีดีกว่าอยู่กับการไม่มีได้นี่สบาย พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ชาวพุทธเราหัดมาอยู่กับการไม่มีกันมีอะไรก็ให้สละมันไปให้ทาทานไปให้บริจาคไปให้เอาไว้เท่าที่จําเป็นจะต้องมีเท่านั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีก็คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยมีเท่านี้แล้วจะสบายใจ เพราะจะไม่มีอะไรจะเสียมากไปกว่านี้เวลาที่จะจากไปจากโลกนี้ก็จะไม่ต้องเสียใจเพราะไม่มีอะไรจะเสียและเวลาอยู่ก็อยู่อย่างสบายไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาวิตกกังวลไม่ต้องมาหวาดกลัวว่าจะต้องเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเสียบุคคลนั้นเสียบุคคลนี้ไป เพราะเราไม่มีอะไรจะเสียการที่เราจะอยู่แบบนี้ได้เราต้องมีความสุขในตัวเราเราต้องค้นหาความสุขที่มีอยู่ในตัวเราให้เจ อ, อความสุขในตัวเรานี้เป็นเหมือนเพชรชิ้นเอกก้อนก้อนก้อนใหญ่เท่ากำปั้นกี่ดูถ้าเราได้เพชรก้อนใหญ่เท่ากำปั้นจะรู้สึกยังไง เอาไปขายนี่ไม่รู้จะได้กี่พันล้านบาทฉันใด้ความสุขที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้ก็มีคุณค่าเหมือนกับเพชรก้อนเท่ากับกำปั้นดีๆนี่องถ้าเราเข้าถึงความสุขอันนี้ก็เท่ากับว่าเรามีทรัพย์อันล้าค่าที่จะให้ความสุขของเราให้กับเราไปได้ตลอดชีวิตและไม่ใช่เฉพาะชีวิตของร่างกายนี้เท่านั้น หลังจากร่างกายนี้ไปแล้วความสุขที่มีอยู่ในใจเราก็ไม่ได้หายไปกับร่างกายเราไม่ได้สูญเสียความสุขอันนี้ความสุขอันนี้จะอยู่คู่กับเราไปอย่างถาวรพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาหาความสุขอันนี้เพื่อดับความทุกข์ต่างๆความทุกข์ของพวกเราเกิดจากการไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา เพราะสิ่งต่างๆที่เราไปหามาให้ความสุขกับเราไม่ช้าก็เร็วมันกับเราก็ต้องมีการจากกันพอเวลาจากกันเวลานั้นก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจและขณะที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ก็ไม่มีความมั่นใจเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะจากเราไปเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่นี่คือ การเปรียบเทียบระหว่างการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้กับการหาความสุขที่มีอยู่ในใจของพวกเราเองว่ามันตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราเนี้เป็นความสุขที่มั่นคงถาวระ ได้มาแล้วก็จะได้อยู่กับเราไปไม่มีวันจากเราไปเหมือนกับได้เงินมาล้านหนึ่งแล้วก็จะอยู่กับเราไปล้านหนึ่งทุกวันใช้ไปเท่าไหร่มันก็ยังมีอยู่ล้านหนึ่งอยู่เรื่อยๆดีไหมถ้าเราหาเงินอย่างนี้ได้ หาเงินมาล้านหนึ่งแล้วก็ใช้มันไปซื้อนั่นซื้อ น, นี่กินนู่นกินนี่ไปแล้วก็มาดูที่บัญชีทุกวันมันก็ยังอยู่ล้านหนึ่งเงี้ยกดเอทอมออกมากี่ครั้งเอาไปซื้อข้าวซื้อของกี่ครั้งพอมาเช็คยอดดูมันก็ยังมีอยู่ล้านหนึ่งอยู่นั่นถ้าเป็นเงินทองเงินอยแบบนี้ก็ดีถ้าเป็นเงินแบบนี้จะไม่มีความกมังวลฮะแต่ถ้าเป็นเงินแบบใช้ไปใช้ไปไปกดดูอา้าว เหลือห้าแสนแล้วเหรอใช้ไปใช้ไป เ, เหลือ 100, แสนหนึ่งก็เหรออถ้าเป็นอย่างนี้นะมันทําให้เราทุกข์กันเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวถ้าใช้ไปอีกใช้ไปอีกเดี๋ยวมันก็เหลือศูนเท่านั้นนะอพอเหลือศูนย์นั่นทีนี้ไปกดดูดูว่ามันจะมีเงินออกมาให้เราหรือเปล่าไม่มีแล้วนี่คือเงินทองที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้มันจะหมดมันจะหดไปเรื่อย พอเราได้มาแล้วเราเอาไปเข้าบัญชีฝากในธนาคารแล้วพอเราต้องการจะใช้เราก็ไปกดเอทีมกดไปแต่ละครั้งยอดเงินมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆมันไม่มีเพิ่มขึ้นหรือมันไม่มีอยู่เท่าเดิมแต่ความสุขที่เราหาได้ภายในใจของเรานี้จะไม่เป็นเหมือนกับยอดเงินที่อยู่ในตู้เอทีเมอยู่ในบัญชีเงินฝาก ยอดเงินคือความสุขที่เราหาได้ในใจของเรานี้ใช้มันเท่าไหร่มันก็ไม่หมดมันก็อยู่เท่าเดิมหนูจะไปก็ได้นะถ้าหนูฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวหนูไปก็ได้ไปกับแม่ก็ได้ไหรือว่าเราจะนั่งฟังต่อก็ได้นะนี่แหละความสุขที่เราหาได้ภายในใจนี้เป็นความสุขที่ไม่มี เอวันลดน้อยถอยลงเอใช้มันเท่าไหร่มันก็ยังมีอยู่เท่าเดิมเอ uh, มีความมีอยู่ล้านหนึ่งกดเอทเอมวันละกี่หมื่นกี่แสนดูยอดทีไรมันก็ยังมีอยู่ล้านหนึ่งทุกทีแต่ uh, ถ้ามีเอทเอมแบบนี้ก็ดีนะไม่ต้องมีมากขอแค่ล้านเดียวก็พอหรือขอแค่แสนเดียวก็พอกดมันไปเนี่ยกดไปทีไรกลับมาดูก็ยังเหลืออยู่แสนหนึ่งทุกที ถ้ามีเอทีเอมแบบนี้ก็ก็ขอขอบัตรขอใบหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเอทีอแบบนี้ไม่มีเรามาขอจากพระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้ามีแจกให้ทุกคนใก็อยากจะได้ความสุขแบบไม่สูญแบบไม่หมดแบบไม่ลดมาขอจากพระพุทธเจ้าได้เนี่ยมาหาความสุขภายในใจของเรา แต่ก่อนที่จะมาหาความสุขภายในใจของเราได้เราต้องเลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆก่อนเราต้องเลิกใช้เงินไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเราต้องเลิกหาเงินมาเพื่อที่จะมีเงินไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่เราต้องเลิกถ้าไม่เลิกเราจะไม่สามารถเข้าหาความสุขที่มีอยู่ในใจของเราได้ เพราะว่าเราจะมัวแต่ไปหาความสุขภายนอกใจนั่นเองเนี่ยทุกวันนี้ที่เราไปหาเงินกันเพื่อทำอะไรเพื่อไปซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆกันนั่นเองไปเที่ยวกันก็ต้องใช้เงินไปซื้อของที่เราอยากได้ก็ต้องใช้เงินไปกินไปดื่มอะไรที่เราอยากจะกินอยากจะดื่มก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นเราก็เลยต้องไปหาเงินกัน หาเงินแล้วพอได้เงินมาก็ไปใช้เงินกันเราก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขที่มีอยู่ในตัวเราถ้าเราอยากจะหาความสุขในตัวเราเราต้องหาเวลาต้องมีเวลาการจะมีเวลาเราก็ต้องดึงเอาเวลาที่เราเอาไปใช้กับการหาเงินกับการใช้เงินนี่แหละมาจะได้มาหาความสุขภายในตัวของเราได้ คนที่อยากได้ความสุขในตัวจึงต้องหยุดหาเงินหยุดใช้เงินกันแล้วก็ไปอยู่แบบพระกันไปอยู่แบบพระจะได้มีเวลาหาความสุขภายในตัวเองได้อย่างเต็มที่ถ้ามีเวลาเล็กน้อยมันจะไม่พอความสุขที่มีอยู่ในตัวเรานี้จะหามันได้เต็มร้อยนี้จะต้องมีเวลาว่างเต็มร้อย จะไม่สามารถไปทำงานอย่างอื่นได้ถ้าไปทำงานอย่างอื่นแล้วมันจะทำให้ไปไม่ถึงไปไม่ถึงหลักใจไปไม่ถึงเป้าหมายคือความสุขเต็มเปี่ยมภายในหัวใจจะต้องอหยุดการหาเงินหยุดการใช้เงินแล้วก็เอาเวลาที่ไปหาเงินไ ป, ไปใช้เงินนี้มาสร้างความสุขภายในใจกัน วิธีสร้างความสุขภายในใจก็คือต้องปิดตาหูจมูกลิ้นกายไม่ส่งไม่ให้ใจออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากจะดูลายก็ต้องไม่ให้ดูอยากจะฟังเพลงก็ไม่ให้ฟังอยากจะทำอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ต้องยุติมันหมดเพื่อที่จะได้ดึงใจเข้าข้างในได้ จะหาความสุขที่อยู่ข้างในใจใจต้องเข้าข้างในถึงจะพบกับความสุขที่มีอยู่ภายในใจความสุขที่มีอยู่ภายในใจนี้มันรอเราอยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนเพชรก้อนเท่ากับป้านรอเราอยู่ให้เรากลับเข้ามาข้างในมามาเคลมเพชรเม็ดนี้ก้อนนี้เรามัวแต่ออกไปเคลมเงินทองกันมัวแต่ไปหาเงินทอง หาเงินล้านหาเงินสิบล้านหาเงินน้อยล้านกันเราเลยไม่มีเวลาที่จะมาเคลมเพชรเท่ากับกาปั้นที่มีอยู่ในหัวใจของพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะไดะ้ความสุขอันวิเศษนี้ความสุขที่ไม่มีวันหมด ใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดวันนี้ใช้ความสุขแบบนี้ไปเท่าไหร่ไปเช็คยอดดูความสุขแบบนี้ก็ยังมีอยู่เต็มร้อยเสมอจากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะลดน้อยไปเรื่อยๆวันนี้ไปเช็คยอดดูสิเมื่อวานนี้กับวันนี้ยอดต่างกันเมื่อวานนี้ใช้ยิบเมื่อวานนี้ยังไม่ใช้เพราะวันนี้ใช้ไปแล้วเราไปเช็คยอดดูเอ๊ะทาไมมันหายไปแล้วใครมาขโมยหรือเปล่า ไม่มีใครขโมยเราขโมยเองเราขโมยเงินของเราเองแล้วเดี๋ยวมันก็หมดนี่เรากลัวหมดเราก็เลยต้องไปหามาเติมอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ชีวิตของเราก็เลยวุ่นวายอยู่กับการหาเงินอยู่กับการใช้เงิน <c oughs> เลยไม่มีเวลาที่จะมาหาเงินที่มีอยู่ภายในใจของเรา <c oughs> เงินที่ ยอดคงที่อยู่มีเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันหดไม่มีวันหมดเนี่เราไม่รู้จักความจริงอันนี้กันเราต้องรอให้คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสาวกมาบอกเรากันเราถึงจะรู้ว่านี่แหละความสุขสุดยอดความสุขที่ไม่มีวันไม่มีวันหดไม่มีวันหายนี่ มันอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในใจของเราเองอย่าไปหาความสุขที่อื่นความสุขที่อื่นได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะหดมันจะหายไปมันจะหมดไป เ, เราจึงคอยมีความกังวลกับสิ่งต่างๆที่เราได้มากันเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องหดเดี๋ยวมันจะต้องหายเดี๋ยวมันจะต้องหมดกัน น, นี่แหละคือความทุกข์ของเราทุกข์เพราะความกลัว กลาวว่าความสุขที่เราหามาได้มันจะหมดแล้วมันต้องหมดเพราะไม่ช้าก็เร็วร่างกายที่เราใช้เสพความสุขมันก็จะต้องหมดร่างกายของเรามันก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นไปเรื่อยๆเวลาแก่ก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงที่จะไปหาความสุขเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาว แล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็หาความสุขไม่ได้เลยเวลาตายก็ถือว่ายุติการหาความสุขอย่างสิ้นเชิงไปนี่คือปัญหาหรือความทุกข์ที่พวกเราสร้างกันขึ้นมาเราสร้างความทุกข์เพราะเราไปหาความสุขที่มันมีความทุกข์ติดมาด้วยนั่นเองความสุขที่เราหามันมีความทุกข์ติดมาเพราะเป็นความสุขที่จะต้องหมดนั่นเอง เป็นความสุขที่จะต้องหดตัวลงน้อยลดตัวลงแล้วหมดไปในที่สุดเช่นเงินทองเวลาได้เงินทองไปฝากไว้ในธนาคารตอนฝากใหม่ๆนี่ยอดเต็มเลยมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเต็มยอดเลยแล้วพอเราเริ่มใช้แล้วทีนี้มันเริ่มลดลงไปแล้วลดทีละเล็กทีละน้อยช้าหรือเร็วมากหรือน้อยก็อยู่ที่เราการใช้ของเรา ถ้าเราใช้มากมันก็ลดเร็วใช้น้อยมันก็ลดช้าแต่ถ้ายังมีการใช้อยู่เดี๋ยวมันก็ต้องมีการหมดเราถึงกลัวหมดกันความกลัวนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแล้วแล้วก็พอมันหมดกลัวหมดก็เลยทำให้เราต้องไปคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆแต่เวลาหาก็ทุกข์อีกเพราะเวลากว่าจะหาได้สักบาทสักร้อยสักพันมันก็ไม่แน่นอน บางวันก็ได้ง่ายบางวันก็ได้ยากบางวันก็ไม่ได้เลยพอไม่ได้ก็ทำให้เราทุกข์อีกได้น้อยก็ทำให้เราทุกข์อีกได้มากก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพวกนี้ไปหาใหม่พอหาได้น้อยอ ก, ก็ทุกข์อีกนี่คือชีวิตของพวกเราเราไปหาความทุกข์กันเองอย่าไปโทษใครโทษตัวเราเองที่ไม่รู้จักไปหา สิ่งที่ไม่มีความทุกข์กันไปหาความสุขที่มีความทุกข์กันเหมือนกับปลาที่ไปฮุบเหยื่อที่มีเบ็ดนะฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนะพอฮุบเสร็จแล้วก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเจ็บปากเจ็บถูกเขาลากจูงขึ้นไปใส่หม้ อ, อกแกงนะทำไมไม่ไปหาเหยื่อที่มันไม่มีเบ็ดติดอยู่แล้วนะ มันโง่ไงมันไม่รู้มันยากแยะไม่เป็นมันไม่รู้ว่าเหยื่อแบบไหนที่ไม่มีเบ็ดเหยื่อแบบไหนมีเบ็ดเนะี่ยมันจะเหยื่อมันก็ฮุบเอาตลอดเวลานานๆจะต้องมาเจอปลาฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่มาสอนบอกว่าเฮ้เหยื่อชนิดนี้ที่มีสายนี่มีตะขอนี่อย่าไปฮุบมันนะฮุบแล้วเดี๋ยวถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากให้ไปหาเหยื่อที่ไม่มีสายเบ็ดนี่ นี่คือพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะพวกนี้มันมีเบ็ดติดอยู่มันมีความทุกข์ติดอยู่ด้วยเพราะมันจะต้องลดปริมาณของมันลงไปพอได้มันมาแล้วพอเริ่มไปใช้มันมันก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมด หมดแล้วเราก็ต้องหาใหม่ต้องคอยหาใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วทอาถึงเวลาที่เราไม่สามารถหาได้เวลานั้นเราก็จะลำบากเราก็จะทุกข์ให้มาหาความสุขที่มันไม่มีวันลดดีกว่าได้มาเท่าไหร่มันก็จะอยู่อย่างนั้นไปไม่มีวันหดตัวจะมีอยู่มีแต่ขยายตัวจนมันถึงขยายได้เต็มร้อย พอมันขยายได้เต็มร้อยแล้วทีนี้มันก็จะอยู่ในระดับเต็มร้อยตลอดเวลานั่นคือธรรมชาติของความสุขที่อยู่ในใจของพวกเราถ้าเราได้ควบความสุขในใจของพวกเราแล้วเราก็จะสามารถหาเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆครั้งแรกก็หาได้นิดๆหน่อยๆก่อน เวลาเราเข้าหาความสุขภายในใจไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าถึงเต็มร้อยทันทีทันใดเราก็จะได้ทีละเล็กทีละน้อยก่อนครั้งแรกอาจจะได้สักเปอร์เซ็นต์หนึ่งก่อนน้อยละหนึ่งแล้วเราก็พยายามกลับไปหาอีกก็เพิ่มเป็นร้อยละสองเพิ่มเป็นร้อยละสามเพิ่มไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เรากลับเข้าไปหาความสุขที่มีอยู่ภายในใจ ถ้าเราหาไปอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวในที่สุดเราก็จะได้เต็มร้อยพอได้เต็มร้อยแล้วทีนี้มันจะไม่มีวันหดไม่มีวันหมดใช้ความสุขแบบนี้ไปเท่าไหร่มันก็ยังมีเต็มร้อยอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้พวกเราจะไม่ต้องเจอกับความทุกข์กันความทุกข์นี้มันไม่ได้มาหาเรานะขอให้เราทำความเข้าใจไว้ความทุกข์นี้เราไปหามันเงินก็ไปทุกข์กับเงินไปหาแฟนก็ไปทุกข์กับแฟนไปหาลูกก็ไปทุกข์กับลูกไปหาอะไรแล้วจะต้องทุกข์กับสิ่งที่เราหามาเพราะสิ่งที่หามาเดี๋ยวมันจะต้องหดมันจะต้องหายไปนั่นเอง แล้วเราก็ไม่อยากให้มันหดไม่อยากให้มันหายความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งที่เราหามาได้อยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดคือเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้เป็นนิจจังสุขขังอัตตานั่นเองนิจจังแปลว่าถาวรได้มาแล้วจะต้องอยู่กับเราครบร้อยตลอดเวลา ได้เงินมาล้านหนึ่งแล้วจะต้องมีอยู่หนึ่งล้านไปเรื่อยๆหดไม่ได้จะใช้ไปเท่าไหร่มันก็ยังต้องอยู่อย่างน้อยก็ต้องอยู่ล้านหนึ่งหรืองไม่งั้นก็ต้องเพิ่มเป็นสองล้านสามล้านไปแต่หดไม่ได้ถ้าหดปั๊บนี่ทุกทันทีแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราเอาไปใช้เดี๋ยวมันก็ต้องหดได้เงินมาล้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้ อ, อซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง หดไปแล้วสองหมืนสามหมื่นเดี๋ยวไปซื้อกระเป๋าใบหนึ่งซื้อรองเท้าอีกใบหนึ่งหดไปแล้วอีกสองสามหมื่นมันก็จะหดลงไปเรื่อยๆอพอเราเห็นตัวเลขหดลงไปเท่านั้นใจเราก็ไม่สบายใจแล้วแล้วใครเป็นคนสร้างไม่ความไม่สบายใจนี้ก็เรานี่แหละเราไปใช้เงินเองถ้าเราอยากจะให้มันไม่หดก็อย่าไปใช้มันสิ ได้ล้านหนึ่งก็เก็บไว้ในธนาคารแล้วคอยดูเดี๋ยวปีหนึ่งมันก็มันก็ขยายขึ้นมีดอกให้กินมีดอกเพิ่มแต่เรามันเป็นแบบว่ามีแล้วไม่ใช้ไม่ได้ใช่ไหะถ้ามีแล้วไม่ใช้มีไปทำไมมีไว้ดูเล่นนะมีใครอยากจะมีกันไว้ดูเล่นมั่งไม่มีหรอกมีแล้วก็ต้องอยากเอาไปใช้เพราะมันมีของที่อยากจะซื้อเยอะแยะไปหมดนั่นเองอะ พราะฉะนั้นขอให้เราทําความเข้าใจว่าความทุกข์ที่เรามีกันอยู่นี้มันไม่ได้เกิดจากใครนะเกิดจากเราเราไปหามันเองเหมือนกลองไฟเนะี่ยมันอยู่ของมันอยู่ดีๆถ้าเราไม่ไปเดินเข้าไปกลองไฟไฟมันไม่เผาเราหรอก แต่เราเดินเข้าไปกองไฟกันเองเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าในกองไฟมีเพชรอยู่เม็ดเบลล์นั่นเองเราถึงกล้าเสียงเข้าไปในกองไฟเพื่อที่จะไปได้เพชรที่เราคิดว่าอยู่ในกองไฟเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วมันไม่มีหรอกมันเป็นของหลอกของปลอมความสุขในโลกนี้ไม่มีในโลกนี้มีแต่ความทุกข์ เพียงแต่ว่าความหลงของเราทําให้เรามองเห็นว่ามันเป็นความสุขเท่านั้นเองแล้วเราจึงต้องมาล่องห่มล่องไห้มาบ่นกันทุกวันว่าทุกกับคนนั้นทุกกับคนนี้ทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้ทุกกับเงินทุกกับนู่นทุกกับนี่ก็เราไปหามันเองคนที่เขาไม่ไปหามันเขาไม่เห็นต้องมาบ่นเลยดูพระพุทธเจ้าดูพระอริยสงสาวกนี่ถ้าไม่บ่นเลย ท่านไม่มีทุกข์อะไรกับใครเลยเพราะท่านไม่มีอะไรเพราะท่านรู้ด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ท่านจึงไม่ไปหามันท่านไม่หาลาบไม่หายศไม่หาสารรเสริญไม่หารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับท่านเพราะท่านรู้ว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปนั่นเอง เนี่ยดังนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจสอนใจเราในเบื้องต้นกันว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์อย่าไปหาทุกข์กันทุกข์อยู่ที่ไหนยุคทุกข์อยู่ที่ลาบยศสารเสริญทุกข์อยู่ที่รูปเสียงกฤฤฤฤฤฤิรลดพุทธอให้รู้เท่านี้ก่อนถ้ารู้แล้วเราทําตามที่เรารู้ได้หรือเปล่าพอเราอยากจะไปหาเงินเราต้องบอกอ่ะไปหาความทุกข์แล้วนะอย่าไปพอไปหาตาแหน่ง พอจะไปหาเป็นสอสอเป็นนายกก็บอกไปหาความทุกข์แล้วนะอถ้าไม่ถ้าถ้ารู้แล้วไม่หยุดไปแล้วอย่าไปโทษใครนะถ้ารู้ว่ามันทุกข์แล้วยังไปหามันอยู่เนี่ยมันก็โทษใครไม่ได้เพราะถ้าไม่รู้อย่างน้อยก็ยังโทษความโง่ของตัวเองได้ว่ากูนี่มันโง่ของมันเป็นทุกข์กับมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กลับไปบองเห็นว่ามันเป็นสุขกันะ ของต่างๆในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาไม่ใช่ของเราทุกมันจะให้ความทุกข์กับเราเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตากลับไปเห็นว่ามันเที่ยงมันจะเป็นอยู่กับเราไปตลอดอัตตาเป็นของเราไปตลอดสุขขังจะให้ความสุขกับเราไปตลอดเราก็เลยไปหากันเนี่ย หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายกันแล้วก็มาทุกข์กันทุกข์เพราะความห่วงทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความเสียดายเวลาที่เขาจากเราไปนี่คือความโง่ของเราหรือความหลงของเราเราจึงต้องมาขอความฉลาดของคนฉลาด มาสอนพวกเรามาเตือนใจพวกเราว่าอะไรเป็นทุกข์สอนพวกเราเหมือนกับเวลาเราขับรถนี่เราต้องพึ่งป้ายจราจรต่างๆป้ายจราจรเขามักจะติดป้ายเตือนภัยอยู่ตลอดทางก่อนจะมาถึงที่นี่ก็มีทางโคง้งเขาก็ติดป้ายบาเล่มไว้เลยว่าโค้งอันตรายโปรดระมัดระวังเห็นไหม ถ้าเขาไม่ติดป้ายไว้เราอาจจะคิดว่าเป็นโค้งปลอดภัยเราก็อาจจะไม่ชะลอความเร็วพอไม่ชะลอความเร็วพอวิ่งเข้าโคง้งมันก็จะหักเข้าโค้งไม่ได้ก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นี่คือสิ่งที่เราไม่มีกันคือป้ายคอยเตือนคอยเตือนใจเราเราเลยต้องมาหาที่พึ่งมาหาป้ายจากพระพุทธเจ้าหาป้ายจากพระธรรมคําสอน หาป้ายจากพระ อ, อริยสงสาวกที่จะคอยเตือนใจเราว่าล า, าบนี้เป็นทุกเนะพอเราจะไปหาเงินหาทองเกินความจำเป็นนี่เราถือว่าเป็นเป็นการหาความทุกเนะถ้าหาตามความจำเป็นนี่ยังถือว่าไม่เป็นความทุกเช่นหามาเพื่อมาซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งหม่ม อันนี้ถือว่าเป็นความจำเป็นซื้อได้ไม่เป็นทุกข์เพราะมาจะมาช่วยดับทุกข์ทางร่างกายถ้าเราไม่มีเงินเสื้ออาหารเราจะทุกข์กับการอดอาหารถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เราก็จะทุกข์กับการไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ังั้นการไปหาปัจจัยสี่มานี้ไม่ถือว่าเป็นการไปหาความทุกข์ แต่เป็นการไปหาวิธีบำบัดความทุกข์ของทางร่างกายหาได้เพียงเท่านี้เท่านั้นเองสำหรับการหาของพวกเราอย่าไปหาอะไรมากไปกว่านั้นในโลกนี้สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องหากันมีอยู่แค่สี่อย่างคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนอกากนั้นอย่าไปหาหามาแล้วมันจะมากลายเป็นความทุกข์ให้กับเรา นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนหยุดหาหาแค่ปัจจัยสี่พอมีปัจจัยสี่แล้วก็เอาเวลาว่างที่เหลืออยู่นี้มาหาความสุขภายในใจกันมาหาความสุขด้วยการมาถือศีลกันถือศีลแปดเพื่อที่จะได้ห้ามจิตใจไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เราจะไปหา ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้มาหาความสุขทางใจกันการจะหาความสุขทางใจนี้เราต้องหาด้วยการมีสติด้วยการใช้สติสติจะเป็นตัวที่จะดึงใจของเราให้เข้าข้างในนั่นเองถ้าเราไม่มีสติใจเราชอบออกข้างนอกใจเราชอบออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายชอบดูนั่นดูนี่ ถึงแม้ให้ไปอยู่คนเดียวถ้ามีมือถือเดี๋ยวก็อดไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องเปิดดูเดี๋ยวก็ต้องเปิดฟังเนี่ยฉะนั้นเราต้องควบคุมใจด้วยสติอย่าปล่อยให้ใจออกไปข้างนอกดึงใจเข้าข้างในให้เข้าข้างในวิธีที่ดึงใจเข้าข้างในวิธีที่จะใช้สติก็ต้องฝึกด้วยการให้ใจคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถือว่าเป็นการสร้างสติถือว่าเป็นการดึงใจไม่ให้ออกไปข้างนอกเช่นให้ใจอยู่กับพุโทโธพุธโทโธถ้าเราคิดอยู่กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวเราก็จะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ได้ เราก็จะไปคิดถึงคนนั่นคนนี้ไม่ได้เราก็จะไปคิดถึงที่นั่นที่นี่ไม่ได้เพราะคำว่าพุโทโธพุโทโธนี้มันคอยดึงใจเอาไว้นั่นเองแต่นี่คือวิธีดึงใจไม่ให้ออกไปข้างนอกถ้าเราไม่ชอบใช้พุโทโธเราก็ให้ใช้การรู้อยู่กับร่างกายของเราก็ได้ ให้รู้ว่าร่างกายของเราตอนนี้กำลังอยู่ในอิริยาบถไหนกำลังยืนหรือกำลังเดินกำลังนั่งหรือกำลังนอนแล้วกำลังทำอะไรอยู่กำลังกินอาหารก็ให้รู้อยู่กับการกินอาหารกำลังอาบน้ำก็ให้รู้กับการอาบน้ำกำลังแปรงฟันก็ให้รู้กับการแปรงฟันกำลังหวีผมก็ให้รู้กับการหวีผม กำลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายถ้าเราดึงใจผูกใจไว้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายได้เราก็หยุดไม่ให้ใจออกไปข้างนอกได้หยุดไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั่นคนนี้ไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ ถ้าเราดึงใจให้เข้าข้างในได้พอเรานั่งเฉยๆใจมันก็จะนื่งจะสงบได้ตอนต้นเราต้องดึงใจไม่ให้ไปข้างนอกก่อนพอเราดึงให้มันอยู่กับตัวกับกับใจได้แล้วขั้นต่อไปก็นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ให้ใจดูลมหายใจเข้าออกไป อย่าให้มันไปคิดถึงคนนั่นคนนี้อย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้จะดูลมก็ได้จะใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธก็ได้เนี่ยมีเป็นการนั่งสมาธิเนั่งหลับตาถ้าใช้พุโทโธก็นั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงให้มันอยู่ในใจเ แล้วถ้าไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวไม่นานจิตก็จะวุบลงไปแล้วก็สงบแล้วก็เย็นสบายมีความสุขเข้าถึงความสุขแล้วความสุขที่วิเศษที่มีอยู่ในตัวเราเข้าด้วยวิธีนี้เข้าด้วยการนั่งสมาธิขั้นต้นต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติเวลามานั่งใจมันจะไม่สามารถพุทโธได้ไม่สามารถดูลมหายใจได้ มันจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วมันก็จะผลิตรูปนั้นรูปนี้ปรากฏขึ้นมาเป็นภาพมาหลอกมาหลอนเราทำให้เราหลงคิดว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาได้ถ้านั่งสมาธิแบบนี้ก็อาจจะเสียสติได้ถ้าไม่มีคนคอยเตือนคอยบอกคอยสอนถ้านั่งสมาธิแบบมีสตินี้จะไม่มีภาพไม่มีนิมิตอะไรปรากฏขึ้นมา จะมีแต่ความนิ่งมีแต่ความสงบปรากฏขึ้นมาเพียงอย่างเดียวจะมีความสุขสุดยอดที่มีอยู่ในตัวเราปรากฏขึ้นมานี่คือวิธีเข้าหาความสุขอันวิเศษที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราทุกคนพอเราได้เข้าถึงความสุขนี้แล้วเราจะติดใจเราไม่ต้องถามว่าเข้าถึงหรื อ, อยังเพราะความสุขแบบนี้ถ้าเข้าถึงแล้วมันจะรู้เอง ถ้ายังเข้าไม่ถึงมันก็จะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรถ้านั่งแล้วมาถามว่าถึงหรือยังก็แสดงว่ายัางไม่ถึงเพราะว่าถ้าถึงแล้วจะไม่ต้องมาถามกันความสุขแบบนี้มันเป็นของแปลกประหลาดมหาสัจจันใจยิ่งกว่าเออ่ยิ่งกว่าอะไรไดโนเสาร์ซะอีกถ้าเจอไดโนเสาร์นี่ทุกคนจะลอง ว่าโอ้ของแปลกประหลาดมหาสัจจา์ไม่เคยเจอมาก่อนเน่อันนี้ก็เหมือนกันความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจเหล่านี้ถ้าเราเจอมันปั๊บนี่เราจะรู้ทันทีว่าอ๋อนี่แหละคือของแปลกประหลาดมหาสัจจา์เหมือนกับได้เห็นไดโนเสาร์เลยถ้านั่งไปแล้วยังไม่เห็นอะไรยังไม่รู้อะไรเพียงแต่รู้สึกว่ามันเฉยๆเบาๆเย็นๆอันนี้ยังไปไม่ถึงเนี่ยต้องนั่งต่อไป ต้องพุโทโธต่อไปหรือดูลมหายใจต่อไปอย่าหยุดถ้าหยุดแล้วมันก็จะไปไม่ถึงพยายามนั่งต่อไปดูลมต่อไปถ้าดูลมถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปอย่าหยุดจนกว่ามันจะไปเจอตัวไดโนเสาร์จะไปเจอของที่โอ้โหนี่เหรอไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เหรอคือนัติสันติพลังสุขขังนี่เหรอคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง มันจะต้องร้องอ๋อขึ้นมางั้นอย่ามาถามเวลานั่งสมาธิว่าเอาจิตสงบหรือยังถ้าสงบจริงแล้วมันรู้มันจะไม่ต้องถามใครถ้าถามก็แสดงว่ายังไม่สงบทําต่อไปส่วนใหญ่ทําไม่ถูกกันพุทโธได้สองสามคำก็หยุดละขี้เกียจ ด, ดูลมสองสามทีก็หยุดแล้วแล้วก็ปล่อยให้ใจมันอยู่เฉยๆน่าเดี๋ยวเพราะมันก็ผลิตนิมิต แปลกๆขึ้นมาหลอกเราแล้วก็มาถามว่านี่คืออะไรมันก็คือของหลอกที่ภาพหลอนภาพหลอกที่จิตผลิตขึ้นมาเวลานั่งสมาธิแล้วถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมานี้มันเป็นภาพหลอนภาพหลอกทั้งนั้นอ่ะมายาเขาเรียกว่ามายาอย่าไปหลงมัน ให้ทำความเข้าใจตั้งแต่ตอนนั้นว่าตอนนี้เราเสียสเราไม่มีสติแล้วเราขี้เกียจภาวนาแล้วเราไม่ได้พุโทโธแล้วเราไม่ได้ดูลมหายใจแล้วเราถึงปล่อยให้ของเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราเนี่ยดังนั้นเราต้องรีบกลับไปพุโทโธต่อถ้าเราพุโทโธก็ต้องกลับพุโทโธต่อ ถ้าเราดูลมหายใจก็ต้องกลับไปดูลมหายใจต่อแล้วเราถึงจะสามารถเข้าสู่ความสงบไดนะ้นี่คือวิธีการที่เราจะสามารถเข้าถึงของที่เลิศของที่วิเศษที่มีอยู่ในตัวของเราได้คือเราต้องดึงใจเข้าข้างในด้วยการหยุดส่งใจออกไปข้างนอกขั้นต้นก็หยุดการหาเงินใช้เงิน หยุดหยุดการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายนอกใจหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหยุดหาความสุขจากอะไรต่างๆที่เราหากันอยู่ทุกวันนี้ต้องหยุดมันถ้าเราหยุดเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาเงินก็หาเพียงแต่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอเราก็จะมีเวลาที่จะมาหาความสุขภายในใจของเราได้พอเรามีเวลาเราก็ต้องไปหาที่สงบ ที่เราอยู่คนเดียวได้ไม่มีใครมาลบกวนถ้าเราอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวเขาก็มาชวนเราออกข้างนอกชวนคุยกันช่วยกันไปดูนั่นฟังนี่กันเราต้องไปอยู่คนเดียวเราก็พยายามดึงใจด้วยพุทโธหรือด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราให้มันอยู่ข้างในอย่าให้มันออกข้างนอกพอมันอยู่ข้างในได้ทีนี้เราก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเพื่อให้มันนิ่งให้มันสงบ มันถึงจะได้พบกับความสุขที่เป็นความสุขที่แปลกประหลาดมหาสจัจจรใจนี้พอเราได้พบกับความสุขกรนี้แล้วเราก็าจะา รู้ทันทีว่านี่แหละคือสิ่งที่เราหากันสิ่งที่เราควรมีกันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีกําลังจิตกําลังใจที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้หากับให้หาแต่ความสุขแบบนี้ไปเพียงอย่างเดียวจนเราสามารถหาได้อย่างเต็มร้อยเราถึงจะหยุดหา พอเราได้ความสุขเต็มร้อยแล้วไม่สูญไม่หายแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราจะเสียคนนั้นคนนี้ไปเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปมันก็ไม่มาทาให้ความสุขที่เราหาได้เต็มร้อยที่มีอยู่ในใจของเรานี้หดหายไปไหนมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดนะครับ แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาหาร่างกายมามีร่างกายเพื่อมาหาความสุขต่างๆอย่างที่เรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้เพราะมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์นั่นเองเราถ้าเรามีความสุขในใจเต็มร้อยแล้วมันก็จะเต็มร้อยไปตลอดเวลา เราจะใช้มันไปมากน้อยเพียงไรมันก็ไม่หดไม่หายมันก็ยังเต็มร้อยของมันอยู่นั่นท่านถึงเรียกว่าปรมังสุขขังนั่นเนีพระพุธเจ้าบอกนิบานังปรมังสุขขังความสุขของนิพพานนี้เต็มร้อยตลอดเวลาไม่ว่าจะใช้มันไปมากน้อยเพียงไรในแต่ละวันมันก็ยังเต็มร้อยอยู่อย่างนั้นนี่คือความสุขของใจความสงบของใจ ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจถ้าเราทำให้มันเต็มร้อยแล้วมันจะอยู่เต็มร้อยไปตลอดไม่มีวันที่จะเสือ่อมไม่มีวันที่จะหมดนี่แหละคือการเข้าหาที่พึ่งเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆเข้าหาที่พึ่งคือเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้สอนเราให้รู้จักวิธีหาความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ แล้วท่านก็จะสอนเราให้เราเลิกหาความสุขที่มีความทุกข์อย่างที่เรากำลังหากันอยู่ตอนนี้เลิกหาเงินเลิกใช้เงินแล้วมาหาสติมาหาสมาธิมาหาปัญญากันแล้วเราจะได้ความสุขเต็มร้อยที่อยู่กับใจของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะหราโสยธามณีโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภะวะตุอันตราโยสุขีธีขายุโกภวะ อาพิวาทนานสีฤทสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก Facebook 409 y ยูทูบ155วิทยุออนไลน์26ผู้รับฟังบนเขา45รวม635ท่านค่ะอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามปัญหาแล้วเมื่อกี้มีใครอยากจะถามปัญหาก็เชิญมาถามได้อาจารย์เ อ, อมา ม, มาไมโครโฟนไปก่อนจะ ไ, ได้เสียงดัง ถามได้เลยพูดใกล้ๆปากค่ะกล่าพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะคารวาที่ถือศีลแปดนะคะมีโอกาสได้ไปถึงชั้นพรมหรือเปล่าคะคืะคอศีลแปดไปไม่ได้ละมันศีลแปดเป็นเพลงแต่ตัวสนับสนุนจะไปชั้นพรมได้ต้องนั่งสมาธิเข้าฌานได้ อ๋อต้องถึงขั้นฌานใช่ไหมคะต้องในฌานถึงจะไปชั้นพรมได้อ๋อแลค่ะแล้วถ้าอยู่ชั้นพรมแล้วนี่สามารถปฏิบัติต่อถึงเป็นผ้าละหันได้ไหมคะถ้ามีถ้าตายไปแล้วไม่ได้แต่ถ้าตั้งขณะมีชีวิตอยู่ยังปฏิบัติต่อได้ อ๋อเพราะว่าไม่มีรูปขันใช่ไหมคะอ๋อเทวดาก็ไม่ได้ใช่ไหมเทวดาได้ยังติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้อยู่ถ้ามีพระพุทธเจ้าไปสอนก็ยังปฏิบัติได้ออแต่เป็นพรหมนี่ไม่ไม่ติดต่อกับใครออไงผมแล้วเข้าไปแล้วสงบนิ่งไม่รับรู้อะไรทั้งหมดแต่เป็นเทวดายังติดต่อกับ ขันของดว ง, ด ว, งวิญญาณของผู้อื่นได้อยู่ยังติดต่อกับจิตใจของพระพุทธเจ้าได้อยู่เหมือนพระพุทธเจ้าไปสอนพุทธมารดาให้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าชั้นพรหมนี้ไม่ติดต่อกับใครเลยพระพุทธเจ้าต้องบอกเสียดายที่มีอาจารย์สองลูปที่เป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าท่านตายไปแล้วท่านเข้าไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมพระพุทธเจ้าเราไม่สามารถติดต่อเลยยังไงต้องมาเรียนไหว้าตายก่อนต้อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อ ถาต้องมารอเจอพระพุทธเจ้าใหม่ถึงจะรู้วิธีที่จะปฏิบัติให้ไปเป็นไปนิพพานได้ <Okay. S 2> หรือต้องเป็นพระพุทธเจ้าเองมีสองวิธีถ้าไม่เป็นเองก็ต้องรอให้เจอพระพุทธเจ้ามาสอน <Okay. S 2> อีกที่หนึ่งพระพุทธเจ้พระอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะกราบมัตการค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรไม่ต้องจะถ า, ถามเป็นคําถามธรรมดานะคะที่ว่าที่พระอาจารย์บอกว่า อ, อ, อาณาปณสติหรือว่าพุโทโธพุธโทโธก็อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วถ้าเปิดทำสองอย่างอย่างเช่นเราเดินเราบอกพุโทโธพุธโทโธแล้วนั่งเฉยๆอาณาปณสติเนี่ยจะเป็นไรไหมคะก็เวลาทําก็อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเดินพุโทโธก็ได้เวลานั่งมาเปลี่ยนเป็นอาณาก็ได้เนื <Okay. S 2> ้อแต่อย่ยามาเปลี่ยนกลางคันเวลานั่งอาณาครึ่งพุโทโธครึ่ง <Okay. S 2> มันอาจจะทําให้มัน มันไม่สงบนะว่ามันต้องอยู่กับตัวใดตัวหนึ่งให้มันเพื่อมันจะได้นิ่งแต่เวลาเปลี่ยนช่วงนี้เปลี่ยนได้สลับได้เวลาเดินจงกรมนี้ดูลมยากก็พุทโธง่ายกว่าก็พุทโธไปได้นะค่่ก็ไม่มีอากาศมาสการค่ะแต่เวลานั่งสมาธินี้จําเป็นจะต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งมันถึงจะนิ่งนะ แต่ตอนต้นอาจจะเปลี่ยนได้เช่นตอนต้นนั่งแล้วจิตมันยังไม่ยอมอยู่กับลมก็ลองใช้พุโทโธหรือใช้การสวดมนต์ไปก่อนเพื่อดึงใจให้มันมีสติมากขึ้นพอมีสติมากขึ้นแล้วดูว่าดูลมต่อไปได้หรือเปล่าพอดูลมได้แล้วทีนี้ก็อย่าเปลี่ยนก็ดูลมไปอย่างเดียวแต่ดลมก็ดูมไม่ค่อยชัดะคะอ่าก็ถ้ายังไม่ชัดถ้าถนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปก่อนก็ได้ แล้วแต่ก็ลองทำดูอันนี้ไม่มีลายตายตัวอันนี้แต่ละคนเหมือนทำกับข้าวเนี่ยจะบอกให้ทำแบบนี้อีกคนเขาทำอีกแบบหนึ่งอร่อยกว่าเก่าก็ได้อร่อยกว่าอีกคนหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นเรื่องเรื่องของแต่ละบุคคลนะพระอาจารย์คะถามต่ออีกทีหนึงค่ะถ้าเป็นคารวาสนะคะ ถ้าปฏิบัติแล้วก็ถึงขั้นสมาบัติเนี่ยถึงชั้นโภมได้เหมือนกันใช่ไหมคะสมาบัติมันก็อยู่ในระดับโภมไงอ๋อได้ใช่ไหมคะทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ขอบคุณค่ะแต่อย่าว่าแต่คราวว่าเลยพระยังเข้ายากไปยิ่งโยมมันจะหาเวลาเข้าไปได้ยังไงนอกจากโยมที่ไม่ต้องทํางานอ่โยมยัง แต่ถ้าแม้กระทั่งเป็นผ้านี่กว่าจะได้สมาธิก็ลินห้อยเนะี่ยอยากจะถามอะไรหรอือเปล่าไม่มีมมเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะมาทีหลังเดี๋ยวช่วงนี้ถามตอบปัญหาก่อนเดี๋ยวมีช่วงว่างจะให้เข้ามาถวายของได้นะอ่นี่หลงทางจะพาพากันมาอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังทันอยู่นะอ่าถามตอบไปถ้ามีคําถามก็ช่วงนี้ถามไปก่อน ค่ะคำถามจากคุณพิมพินันขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าโยมเป็นคนที่เครียดง่ายกังวลง่ายเดี๋ยวนี้มีเรื่องที่ต้องให้ทุกข์ใจหนักๆมากระทบบ่อยๆใจมันสัน่นร่างกายก็อ่อนแอลงไปจนไม่สบายโยมจะฝึกจิตอย่างไรให้จิตมีความเข้มแข็งได้คะก็สตินี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้จิตมีพลังมีความเข้มแข็งต้องมันฝึกพุโทโธพุโทโธ เพื่อหยุดความคิดต่างๆเพราะความคิดของเรามันบั่นทอนกำลังของเรายิ่งคิดยิ่งวิตกยิ่งกังวลถ้าหยุดคิดความวิตกความกังวลก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปความมั่นคงความแข็งแกร่งของจิตใจก็จะเพิ่มมากขึ้นฉะั้นต้องหมั่นพยายามพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันถ้าไม่จำเป็นมันจะไปคิดเรื่องนู้เรื่องนี้เอามาคิดพุดโทโธพุโทโธดีกว่าได้ประโยชน์กว่า เป็นการเสริมพลังให้กับกับจิตใจนะถ้าไปคิดแล้วเป็นการบั่นทอนกำลังของจิตใจคิดแล้วก็ทำให้อ่อนปวกเปียกหนักอกหนักใจขึ้นมาถ้าพุทโธพุทโธแล้วมันจะเบาจะเย็นจะสบายมันจะหนักแน่นนะเนพยายามหัดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆบ่อยๆเรานับอนะรบองได้ว่าสภาพจิตใจของเราจะพพิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยคาถามจาก คุณกุณลพัฒรสอนเป็นแม่ชีกลับมาอยู่บ้านถือศีลที่บ้านจะผิดหรือเป็นกรรมไหมหรือว่าควรจะสึกออกมาถือศีนอยู่บ้านแบบไหนถึงจะถูกต้องคะมันก็แล้วแต่เราเพราะว่าแม่ชีนี่เขาไม่มีกฎระเบียบบังคับแบบพระถ้าบวชแล้วต้องอยู่กับวัดมาอยู่กับบ้านไม่ได้แต่แม่ชี บวชเป็นชีก็ถือว่าเป็นอุบาสิกานี่เองคือผู้ที่ถือศีลแปดหรือศีลสิบนั่นจะอยู่บ้านอยู่วัดก็ไม่มีการผิดอยู่ที่เราว่าเราปฏิบัติแบบไหนได้ประโยชน์ได้ผลมากกว่าเราก็เอาแบบนั้นก็แล้วกันให้ดูที่ผลของการปฏิบัติเป็นหลักอย่าไปดูภาพหรือไปดูรูปรูปแบบของการเป็นแม่ชี การเป็นแม่ชีก็หรือเป็นพระก็คือเป็นผู้ที่ไม่ต้องการที่จะไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องการหาความสงบนี่คือสถานภาพของแม่ชีหรือของพระเมื่อเราเป็นแม่ชีหรือเป็นพระเราก็ต้องมุ่งไปสู่ความสงบเพียงอย่างเดียวถ้าเรายัางไปช้อปปิง้งไปเตินตามเสาศูนย์การค้าอยู่มันก็เป็นแม่ชีก็เป็นแต่ร่าง แต่ใจมันก็เป็นค า, ารวะดีๆนี่เองเพราะยังเสพการามอยู่คำถามจากคุณพิกนุชกราบนมัสการเจ้าค่ะถ้าเราคิดถึงพุทธโธพุทธโธดึงใจไม่ให้ออกไปข้างนอกเราต้องกําหนดพุทธโธเร็วๆหรือพุทธหายใจเข้าโธหายใจออกเจ้าค่ะเราไม่ได้บอกห้าหายใจเลยเระบอกพุทธโธอย่างเดียว ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องลมหายใจเพราะมันยากมันไม่จําเป็นให้มีพุโทโธอย่างเดียวก็พอเพราะเวลาทำอะไรเดินไปเดินมามันดูลมไม่ได้ให้พุโทโธอย่างเดียวเราให้ใช้พุโทโธกับชีวิตประจำวันเราทำงานเราก็พุโทโธไปถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ำเราก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันเราก็พุโทโธไป อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองจะช้าหรือจะเร็วก็แล้วแต่ความพอใจของเราบางทีมันดื้อก็อาจจะให้มันเร็วหน่อยถ้ามันไม่ดื้อก็ช้าหน่อยถ้ามันไม่คิดก็หยุดได้ถ้ามันไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เราก็ไม่ต้องพูดโทเพราะพุทโธมันเป็นเหมือนเบรกรถยนต์นะถ้ารถยนต์มันไหลเราก็ต้องเหยียบเบรกถ้าต้องการให้มันหยุดถ้ามันไม่ไหลเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกมันก็มีก็เท่านั้น คําถามจากคุณสถิตพรกรับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาเดินจงกรมโยมสวดอิติปิโสร้อยแปดนี้จะได้ไหมเจ้าค่ะได้ก็เป็นวิธีหนึ่งแทนพุโทโธได้การสวดก็ได้การบริการพุโทโธก็ได้แล้วแต่ความถนัดถ้าถนัดพุโทโธก็พุโทโธถนัดการสวดก็สวดไป เป้าหมายคือไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองเพื่อให้ใจอยู่ข้างในเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในการนั่งสมาธิต่อไปการเ ด, เดินจงกรมจารานสติสวมดมนนี้เป็นการกล่อมใจดึงใจให้อยู่ข้างในแต่ยังไม่เป็นสมาธิอยากให้เป็นสมาธิต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ให้เพ่งดูอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นลมหายใจจิตถึงจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ หมดแล้วมีอีกค่ ะ, ะถามไปเรื่อยๆคำถามจากคุณจินขอบกราบนรมาสการครับภาวนาว่าตายตายตายได้ไหมครับถ้าจิตสงบก็ใช้ได้มันก็เป็นวิธีอุบายวิธีเจริญสติเรียกว่ามรนานุสติแทนพุทโธก็ได้บางคนไม่ชอบพุทโธชอบตายก็ตายตายตายพอตายแล้วจิตสงบจิตไม่กล้าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็ใช้ได้เหมือนกันถึงมีสี่สิบวิธีเรียวกว่ากรรมฐานสี่สิบมรณานุสติก็คิดถึงความตายพุทธานุสติก็ระลึกพุทโธพุทโธอานาปนาสติก็ดูลมหายใจกายกตาสติก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนั้นมีหลายวิธีด้วยกันที่เราสามารถที่จะมาใช้ในการเจริญสติได้เพราะว่า ภาวะของเราในแต่ละวันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีใช้อย่างเดียวไม่ได้เช่นใช้อนาปนานสติในเวลาที่ไม่ได้นั่งไม่ได้อนาปนานสติดูลมหายใจนี่เหมาะกับเวลาที่เรานั่งแต่ถ้าพูดโทนี่ใช้ได้ทุกอย่างแต่ถ้าพูดโทนบ่อยๆเข า, าอาจจะเมื่อยอาจจะเหนื่อยก็เปลี่ยนมาดูลมดูล่างกายแทนเวลาเดินก็ดูเท้าแทนอย่างนี้ก็ได้ อันนี้แล้วแต่แต่มันเมื่อยก็ดีมันจะได้ไม่คิดมันเหนื่อยมันก็จะหยุดคิดไปเองแล้วถ้ามันเหนื่อยมันหยุดคิดก็นั่งเฉยเฉยนั่งดูลมไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบต่อไปได้ คำถามจากคุณนาวินกราบนรรมส ก, การครับพระอาจารย์ถ้าคนเรากินเหล้าแล้วเขานอนอยู่บ้านไม่ก่อเรื่องกับใครเขาต้องตกนรกไหมครับถ้ายังไม่ไปทำบาปไม่ตกนะแต่มันอยู่ใกล้ประตูนรกท่านเองเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนไม่กินเหล้ากลับนอนไม่หลับออกไปเพ่นพ่านไปอาลวาดเดี๋ยวก็ตกนรกได้เพราะว่ามันเป็นอบายมุข ค, คือไปอยู่ที่หน้าหน้าประตูของอบายเหมือนคนที่จะไปที่ ไปติดคุกอ่ะไปอยู่แถวหน้าคุกเดี๋ยวก็ถูกเขาเดินกับคุกงั้นอย่าไปอย่าไปเสบบะบายยามุกดีกว่าเพราะว่าบางเวลาแล้วเราอาจจะพังเผอแทนที่จะนอนกับคึกขึ้นมาอยากจะไปทำนู่นทำนี่เดี๋ยวก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ได้ ค่ะคำถามจากคุณนรุมนกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการนั่งสมาธินานๆไม่ไหวมีปัญหาเรื่องหัวเข่าและหลังเคยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทเดินไม่ได้เกือบสองเดือนตอนนี้หายแล้วแต่ก็ไม่ปกติเหมือนเดิมสามารถนอนภาวนาและทำสมาธิได้ไหมคะก็ไม่ควรหรอกเพราะมันจะหลับมากกว่า ถ้าเดินถ้านั่งไม่ได้ก็เดินถ้านั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้แทนจะดีกว่าถ้านอนนี่ไม่ควรที่จะทําเพราะโอกาสที่จะหลับมันง่ายมันมากแทนจะนั่งสมาธิกับจะเป็นนอนสมาธิไม่ได้นอนสมานอนหลับไม่ได้นอนสมาธิมันจะนอนหลับก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าคีดว่านอนแล้วไม่หลับก็ลองดูเอา นอนแล้วจิตสงบได้ก็ก็ดีทำได้ก็ทำไปหมดแล้วเลยคำถามจากคุณแก้วเรื่องการถูกหักหลังถูกทิ้งจากครอบครัวตอนนี้คือเหมือนเริ่มตัวคนเดียวไปต่อไม่ไหวคะ่ะทำไมไม่ไหวล่ะเรามาคนเดียวนะเดี๋ยวเราก็ไปคนเดียว มันไหวเพียงแต่เราไปคิดว่ามันไม่ไหวมันก็เลยไม่ไหว ช, ช, ชีวิตของคนเรานี่เราสามารถไปไหนมาไหนทำลายของเราเองได้ยั้นอย่าไปหวังพึ่งอะไรจากใครใแล้วเราก็จะไม่ผิดหวังจะไม่ถูกเขาหักหลังอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเิ้นพยายามพึ่งตนเองไปเถิดแล้วจะ จะสบายจะไม่ถูกหลอกจะไม่ถูกเขาหักหลังเพราะเราไม่ต้องไปหวังอะไรจากใครเราสามารถพึ่งตัวเราเองได้ไม่ต้องไปพึ่งใครทุกคนพึ่งตนเองได้อยู่ที่ว่าจะพึ่งหรือไม่พึ่งเท่านั้นเองที่ไม่พึ่งเพราะความเกียจคา้านความอยากสบายชอบให้คนเขาแบกยกเราไม่ชอบเดินเองเหมือนเหมือนเป็นเด็ก ติดนิสัยเด็กมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแม่ก็อุ้มอยู่เรื่อยๆอุ้มจกกนกระทั่งไม่ยอมเดินเองเวลาแม่จะให้เดินก็ร้องแม่ก็เลยสงสารก็เลยอุ้มโดยจนเสียนิสัยโตขึ้นมาก็เลยทําอะไรเองไม่ได้นั้นหัดทําอะไรเองไปเถิดแล้วต่อไปเราก็จะอยู่คนเดียวได้พึ่งตนเองได้ถึงเวลามันต้องพึ่งตัวเองมันพึ่งได้เอง ลองไปหลงป่าอยู่คนเดียวเดี่ยมันก็ต้องดิ้นหาทางออกจนได้งั้นบางทีคนเราถ้ามันยังไม่มีเหตุการณ์มาบังคับมันก็เลยไม่ไม่ขวนขวายแต่พอมันไม่มีใครจะพึ่งแล้วที่มันก็ต้องพึ่งตนเองจนได้งั้น อ, อย่าไปคิดทอแท้เบื่อหน่ายเพราะอันนี้เป็นเป็นวิธีที่จะทำลายตัวเราเมื่อเราคิดทอแท้เบื่อหน่ายคิดว่าเราพึ่งตัวเองไม่ได้เราก็อยากจะฆ่าตัวตาย มันก็จะจบตรงนั้นจบด้วยการฆ่าตัวตายคำถามจากักรุณสิริถ้ามีแฟนหนึ่งคนแล้วไปชอบอีกคนถ้าเราพิจารณาอสุภะจะทิ้งทั้งสองคนได้หรือไม่คะถ้ามันเหมือนกันทั้งสองคนมันจะมันมันทิ้งมันก็ต้องทิ้งได้ทั้งสองคนลวเพราะมันเหมือนกันเนี่ยร่างกายคนนั้นกับคนนี้มันก็อสุภะเหมือนกัน ทำอ่มีคำถามอีกหรอ่ยมขอถามหนึ่งคำถามค่ะอ่าเดี๋ยวมาเอาไมา้ไปหน่อยเลเอามาใกล้ๆหน่อยพูดที่ให้พูดไม้เพราะคนที่อยู่ทางบ้านเขาจะได้ยินเสียงด้วยค่ะากาบน้บนมั ศ, ศ, ศการขอการนะคะโยมไปปฏิบัติธรรมสติปฐานสี่ค่ะแล้วก็มีการทวนยานคอนิยมขอถามคำถามว่าการทวนยานก็จะมีนิ นิพพัายานพังคยานต่างๆแล้วก็มีการเข้าอธิษฐานจิตาการทําแบบนี้ก็คือเป็นการเลื่อนพบเล่อนชาติหรือเปล่าคะแล้วก็เป็นการเล่นละครยังไม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนิพพัยญาณนนิพพินนิยานมันยังไม่มีหรอกของพวกนี้อ๋อมันไปทวนอะไรกับของที่เรายังไม่มีก็คือเป็นการนั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงในที่ อ, อธิษฐานจิตอะคะใช่มัน มันมันแบบว่าเป็นการแบบว่าปฏิบัติตามตำราไม่ได้ไปปฏิบัติตามความเป็นจริงเข้าใจไหมตำราบากอกต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้มันก็มันก็ว่ากันไปตามตำราแต่ความจริงมันไม่มีอะไรเลยจิตยังเพ้งคว้างยังวุ่นวายยังไม่มีความสงบมันไม่มีอะไรเลยนั่น<ม>ให้ดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติดูดความจริงเอตอนนี้เรามีสติหรือยัง ใจเรายัางลอยอยู่หรือเปล่ายัางอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนหรือเปล่าให้ดูเนี่ยดูทดสอบใจของเราดูแบบนี้จะดีกว่าดูตามความเป็นจริงเหมือนกับขับรถเนี่ยเวลาขับรถเราก็ดูถนนดูหลักดูป้ายเขาบอกตอนนี้ถึงไหนแล้วอย่าไปดูที่แผนที่แล้วบอกว่าตอนนี้ถึงนู่นถึงนี่มันไม่ถึงหรอกป้ายแผนที่มันบอกถึงแต่รถมันไม่ถึงเข้าใจไหม การที่เราปฏิบัติแล้วเราไปดูตามลาแล้วก็มาว่าโอ้ยตอนนี้เราถึงนี่มีนทางหรือยังถึงไอ้นู่นหรื อ, อยังเ น, นี่ออยมันไม่มีในใจเรามันจะไปถึงได้ยังไง <c oughs> ใช่ไมอมให้ดูในใจแล้วตอนนี้เรามีอะไรบ้างมีสติหรือเปล่ามีสมาธิหรือเปล่ามีปัญญาหรือเปล่าให้มันดูความจริงอย่าไปดูตามตามาําราแล้วก็มาทดสอบกันตามตามาํารามันไม่ได้เรื่องหรอกอันนั้น ผููอย่งนี้เข้าใจไหมค่ะอืมแ ต, อแต่ว่าอ่าแต่ว่ายังไงพอดีว่าโยมไปก็จะมีการสอบอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะนั่นคือเขาสอบอะไรละ่ะก็เล่าไปว่าเราเป็นยังไงบ้างอ่าแล้วก็ให้ปฏิบัติท่านก็ให้ปฏิบัติต่ออ่าคราวนี้ไม่ได้ว่าทดสอบอารมณ์เขาเรียกว่ามารายงานผลของการปฏิบัติค่ะมาตอนนี้เราปฏิบัติไปถึงไหนแล้วอ่ถูกยกผิดอถ้าถูกท่านก็ปฏิบัติต่อไป ถ้าผิดเขาก็อบอกต้องเปลี่ยนวิธีวิธีนี้ไม่ถูกนี่คือการการทดสอบการปฏิบัติของเราว่าไปในทางในในทางที่จะพาให้เราไปถึงถึงนิพพานหรือไม่ถ้าไม่ใช่เขาก็บอกต้องเปลี่ยน อ, อันนี้ไม่ใช่ค่ ะ, ขะเ ข, ข้าใจัหยก็ในความหมายของท่านก็คือว่าปฏิบัติต่อไปอ้า ถ้าไม่ปฏิบัติต่อไปจะให้ทำอะไร่ะถ้ายังไม่ถึงนิพพานมันก็ต้องปฏิบัติต่อไปเหมือนกินข้าวถ้ากินยังไม่อิ่มก็กินต่อไปถ้าอิ่มแล้วก็หยุดกินได้ใช่มเวลาอิ่มแล้วกิกนเัรอ ไ, ไม่กินแล้วใช่ไหมใจก็เหมือนกันถ้ายังไม่ถึงประมังสุขขังก็ต้องปฏิบัติต่อไปพอถึงประมังสุขขังแล้วมันก็หยุดเองมันมันรู้ว่าสุดสุขมันสุด เต็มหัวใจแล้วมันก็เลยไม่ต้องเพิ่มเพิ่มอีกไม่ได้แล้วมันก็หยุดปฏิบัติได้ค่ะแล้วก็มีการเข้าอธิษฐานจิตมีการการเกิดการดับอาการอาการดับอย่าเงี้ยค่ะอะไรอะไรดับอะอะไรเกิดอะท่านต้องดูด้วว่าอะไรเกิดอะไรดับใช่ไหมอ่าที่มันปฏิบัติแบบคนตาบอดมันมัเกิดดับเกิดดับแต่ไม่รู้อะไรเกิดดับเกิดดับออื คำว่าเกิดดับก็คือให้เรารู้ว่าของทุกอย่างในโลกนี้ที่เกิดแล้วต้องดับเข้าใจไหมร่างกายเรานี้เกิดแล้วต้องดับหรือเปล่าเสียงที่เกิดแล้วมันดับหรือเปล่าเสียงดังโป้งแล้วมันก็หายไปอันนี้ก็เกิดดับอภาพที่มาให้เราเห็นปั๊บล้วก็หายไปก็เกิดดับเหมือนกันคือให้เราเห็นว่าทุกอย่างนี้มันเกิดดับเกิดดับมันเราอย่าไปติดมัน บางทีเห็นภาพที่ชอบอยากจะให้มันไม่ดับเนี่ยพอมันดับก็เสียใจเห็นคนที่เรารักก็ชอบเอามาเป็นของเรามาเป็นแฟนเราพอก็ดับไปหายไปก็เสียใจแต่ถ้าเราเห็นก่อนว่าจะต้องดับเราก็ไม่เอาดีกว่าเอามาแล้วเดี๋ยวจะทําให้เราเสียใจในภายหลังนี่คือความหมายให้การเห็นการเกิดดับให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ย ที่เราไปรักไปชอบเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องดับถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปเอามาเป็นของเราปล่อยมันเกิดดับไปตามเรื่องของมันเห็นไหมคนที่เราไม่เมาเอามาเป็นแฟนเขาดับเราเราทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหแต่คนที่เรามาเป็นแฟนเนี่ยพอเขาดับเราทุกข์ไหอแต่ถ้าเราร่วมมันเขาจะต้องดับเราก็ไม่เอาเขามาเป็นแฟนดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า แต่อยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้เอะเพราะเหงา อ, ง อ, งองีกเหงาก็เกิดเหงาก็เกิดดับเหมือนกันวิธีจะทําทให้เหงามันดับก็ไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิจิตสงบความเหงามันก็ดับไปอันนี้คือกิดดับเกิดดับเข้าใจยังย<อ>ือมเข<อ>้าใจค่ะอแต่เห็นว่าสิ่งใดเกิดดับมันจะได้ไม่ไปอยากอ่ากล้าๆค่ะ ถ้าไม่อยากได้ก็จะไม่ทุกข์ถ้าได้อะไรมาแล้ว เ, เดี๋ยวจะต้องทุกข์เพราะของที่เราได้ไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องดับถ้าเขาไม่ดับก่อนเราก็ดับก่อนเราก็ต้องดับเหมือนกันมันก็ทุกข์นะต่อไป ค่ะคำถามจากคุณลดาวันกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือตอนนี้หนูมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้เวลาที่จิตเคลื่อนออกไปหนูจะภาวนาหนูจะเจริญวิปัสนาได้อย่างไรคะอ๋ออย่างหรอกหนูต้องไปนั่งสมาธิเข้าฌานก่อนวิปัสนาตอนนี้ไปวิปัสนาก็จะเป็นวิปัสสนึกจะไม่มีกําลังที่จะมาทําลายกิเลสได้วิปัสนานี้มีไว้เพื่อทําลายกิเลส ถ้าเรายัางเสียดายกิเลสอยู่ก็อย่าไปวิปัสสนาต้าตยัางเรายัางรักความโลภความโกรธความหลงอยู่ก็อย่าไปวิปัสสนาถ้าเราเบื่อความโลภความโกรธความหลงอยากจะกำจัดมันเราค่อยไปแต่ก่อนจะไปวิปัสสนาเราต้องไปเข้าฌานก่อนเพราะถ้าเราเข้าฌานไม่ได้เราจะไม่มีกำลัง ที่จะไปใช้วิปัสสนาในการทำลายความโลภความโกรธความหลงอยงตอนนี้จะเย็นๆก่อนวิปัสสนานี่เอาไว้ก่อนวิปัสสนานี่ระดับปริญญาฌานนี้ระดับมัธยมเรียนให้จบม .6 ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอ็นทานอาตอนนี้ฝึกสมาธิก่อนฝึกสติก่อนทาจิตให้รวมเป็นฌานก่อน แล้วพอฌานแล้วมีกำลังแล้วถ้าอยากจะกาจัดความโลภความโกรธความหลงก็ไปเจริญวิปัสสนาไปเห็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ค่ะคำถามจากคุณเสียกราบพระอาจารย์ครับ เราหวังตำแหน่งทางวิชาการเราผิดไหมครับที่คิดแบบนี้อ๋อไม่ผิดหรอกแต่มันโลภมันจะทําให้เราทุกเวลาที่ไม่ได้เวียไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็ต้องมาคอยกังวลคอยกลัวว่าจะถูกเขาปดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ไปอยากได้ก็สบายใจได้ไม่ได้ก็ไม่เสียใจไม่มีก็ไม่ต้องกลัวเขาจะมาปลดเพราะไม่มีอะไรจะให้เขาปลด สบายอจะตายไปไม่เอาชอบไปหาความทุกข์มาใส่หัวเอาคำถามจากคุณโจการเปลี่ยนการภาวนาจากอาณาหรือบริกรรมพุทโธมาพิจารณากายแล้วจิตจะรวมลงสู่อัปปนาสมาธิได้หรือไม่ครับ ถ้าอยากให้รวมต้องไปพิจารณาที่มีเสือมีผีมันถึงจะพิจารณาถึงจะรวมได้คนที่อยากจะให้จิตรวมง่า ย, ายๆเร็วๆต้องไปอยู่ที่ที่มันน่ากลัวพอหน้ากลัวพิจารณาว่าร่างกายเป็นนิจจังเดี๋ยวต้องตายแ น, น่ๆพอยอมตายปั๊บจิตปล่อยร่างกายจิตก็เข้าอัปปนาสมาธิไปเลยแต่ถ้าอยู่ที่ปลอดภัยคิดยังไงมันก็ไม่น่ากลัวมันก็ไม่ปล่อย พอเราจะปล่อยแต่เมื่อรู้ว่ามันต้องมันถูกบังคับให้ปล่อยถ้ามันรู้ว่ายังไม่ต้องปล่อยมันไม่ยอมปล่อยหรอกแต่ถ้าไปอยู่ที่มันน่ากลัวรู้ว่าจะอาจจะต้องถูกเสือกัดตายเนี่ยพอได้ยินเสือคำรามมาที่นี้มันก็ปองเลยยอมตายพอยอมตายก็ปล่อยร่างกายพอปล่อยร่างกายจิตก็แยกเข้าสู่สมาธิไปค่ะคาถามจากคุณกนกวันกราบนมัสการค่ะ อยากทราบวิธีการแก้ให้ขาดจากคู่กรรมคู่เวรค่ะก็อย่ามาเกิดเลถ้ายัางเกิดอยู่เดี๋ยวก็ต้องเจอคู่กรรมคู่เวรอยู่นั่นนะวิธีไม่เกิดก็ต้องกําจัดความอยากให้หมดไปความอยากสามัญอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วก็ไม่จะไม่มาเกิดเมื่อไม่มาเกิดแล้วก็จะไม่จะมาเจอคู่กรรมคู่เวรกันอีกต่อไปคาถามจากคุณกริ กราบเรียนพระอาจารย์ครับผมอยากถามว่าความคิดที่เราได้ไม่ได้ตั้งใจคิดจะมีผลเรื่องบาปกรรมหรือไม่ครับผมรู้สึกทุกข์ใจมากจนบางครั้งเครียดและบางทีมันคิดขึ้นมาเองโดยที่ใจผมไม่ได้คิดออกมาจากใจส่วนตัวผมรักและเขา รักและศรัทธาคำสอนและพระพุทธเจ้ามากก่อนนอนก็นึกถึงตื่นนอนก็นึกถึงและพิจารณาถึงความเป็นจริงของสังขารบ่อยๆแต่มันเหมือนมีจิตคิดต่อต้านพระพุทธเจ้าตลอดเลยครับจะทำอย่างไรดีครับผมกลัวบาปกรรมก็หยุดความคิดเหล่านี้สิใช้สติหยุดมันพอมันคิดไปในทางที่เราว่ามันไม่ควรคิดเราก็พุทโธพุทโธใส่เข้าไป ต่อไปมันก็หยุดคิดไปในทางนั้นหรือถ้ามันคิดทีไรเราก็พูดโทแล้วก็เบรกมันไปแล้วก็สอนว่าคิดแบบนี้ไม่ดีเพราะว่าจะทําให้เราไม่ได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เราคิดไปในทางศรัทธาจะดีกว่าเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนทองคํำเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะได้ทองคํำแต่ถ้าไปลังเกียพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่ได้ทองคํำ หมดแล้วเลยค่ะหมดแล้วก็พอสมควรถ้ามีใครอยากถามอีกไหมไม่มีแล้วน ะ, ะไม่มีก็จะปิดประชุมขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร์น